ลำดับที่หเมื่อวันที่17เมษายนพุทธศักราช2553โดยพระครู ธ, ธรรมทอนคันจิตคุณวโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานเวสกวันจังหวัดนค ร, รปฐม ขอเจริญพรสำหรับวันเสาร์นี้โยมก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานการประมาณชั่วโมงเสศษต้องขออภัยด้วยพอดีข้างบนเริกชานิดหนึ่งเนื่องจากว่ากำลังฝึกตอนเ่่งกันอยู่วันนี้ก็เลยจำาคาอธิบายถึงอุบายในการระ ง, งับความโกรธวิธีถัดมาก็คือวิธีที่สี่ต่อจากสามวิธีคราวที่แล้วจาได้ไหมเอ่ยคราวที่แล้วมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือว่า ให้กลับมาแผ่เมตตากรรมฐานนะถ้าเกิดเราจะก่อนที่จะแผ่พอนึกถึงคนที่เราโกรธแล้วจิตใจมันขุ่นมัวขึ้นมากลับมาที่เมตตาชานคือกลับมาฝึกแผ่เมตตากรรมฐานให้คนอื่นๆก่อนจนกว่าจิตเราจะพร้อมถ้ายังไม่หายทํำยังไงเอ่ยข้อที่สองอะไรนะอ่านึกถึงพุทธโอวาสนะนึกถึงพุทธโอวาสว่าเอาละ ผู้ พ, พุทธเจ้าท่านพร่ำสอนเรามาว่าอย่างไงเราว่าเป็นสิทธิ์ของพู้พุทธเจ้าเรากําลังปฏิบัติอะไรอยู่ประการที่สาก็คือนึกถึงความดีนะมองผู้อื่นในแง่ดีซะนะอย่างที่ได้ให้ท่องจบท้ายด้วยคําของอาจารย์พุทธทาส น, นะ <c oughs> อันนี้ประการที่สี่วิธีที่สี่ท่านก็บอกว่าให้พร่ำสอนตัวเองนะถ้านนึกมองในแง่ดีแล้วมันก็ยังไม่หาย ประการที่สี่ท่านก็เลยบอกว่าให้พร่ำสอนตัวเองพร่ำสอนตัวเองอย่างไรคราวนี้ถ้าเกิดว่าความเคิดแค้นความชิงชังมันยังคงเกิดอยู่ก็ให้สอนตัวเองไว้เยอะๆนะในที่นี้ขอยกมาอ่านให้ฟังเลยก็แล้วกันนะท่านบอกว่ามีวิธีการพร่ำสอนตัวเองอยู่หลายอย่างโนะยมลองดูนะข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าให้พร่ำสอนตัวเองว่าก็เมื่อคนผู้เป็นคู่เวรทำทุกข์ให้แก่เจ้าได้ก็แต่ตรงที่กายของเจ้า เหตุไฉนเจ้าจึงปรารถนาที่จะหอบเอาความทุกนั้นเข้ามาใส่ไว้ในจิตใจของตนอันไม่ใช่วิสัยที่คนคู่เวรจะพึงทำให้ได้เล่างงไหมคนอื่นทำได้เนี่ยทำได้แค่เพียงกายใช่ไหมอย่างดีก็ทำเพียงเป็นแค่แสงสีเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสต่ตางๆที่วิ่งเข้ามากระทบกายเท่านั้นเขาไม่สามารถทำร้ายใจของโยมได้นะแต่คนที่จะทำร้ายใจิตใจของโยมได้คือใคร <c oughs> ขอไปตัวของเราเองนั่นแหละด้วยการเอาแสงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นมานั่งนึกมานั่งคิดทำให้เราเกิดความเครียดแค้นความจริงชังความโกรธใช่หรือไม่นั่นแหละ คนอื่นทํำร้ายก็เพียงแค่กายเพียงแค่รูปเสียงหรือรสสัมผัสที่เข้ามากระทบเท่านั้นก็ทําอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้วทําไมเราจะมาทําร้ายตัวเราด้วยการที่เราโกรธเป็นการทำร้ายจิตใจของตัวเราด้วยเราถ้าอย่างนี้โดนลูกศรนสองดอกเลยใช่ไหมทางกายกระทบแล้วทางจิตใจยังกระทบอีกอย่างที่อาตมาได้เคยเล่าให้โยมฟังไว้บ่อยๆว่าถ้ามีคนมาว่าร้ายเรามาด่าเราเขาว่าร้ายเราเขาด่าเรา ก็เพียงแค่ตอนนั้นเท่า น, นั้นที่เหลือบางคนถ้าเกิดไม่หายไปยังไงกลับมาบ้านก็เอาแล้วไอ้คนนั้นว่าเราไอ้คนนั้นด่าเราผ่านไปสองวันก็คนนั้นว่าเราคนนั้นด่าเราเขาว่าเราด่าเราไปแค่สิบถึงสิห้านาทีมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วที่เหลือใครดา่าแล้วเรากดใครโกรธเขาใช่ไหมเนี่ยแหละระวังให้ดีนะจิตใจของเราเนะี่ยมันร้ายมากกว่าคนอื่นๆ น, นอีก ถ้ากิเลสยังเป็นตัวชักนําเป็นตัวชี้นําอยู่อย่างนี้แล้วเราก็เล่านั่นแหละกาลังทําร้ายตัวเองอยู่ตลอดนั่นระวังไว้ให้ดีนะเข้าใจนะอันนี้พร่ำสอนตัวเองอย่างแรกอย่างที่สองท่านบอกว่ามูญาติซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณเป็นอันมากทั้งๆ ท, ที่มีหน้าชุ่มโชคอยู่ด้วยน้ําตาเจ้าก็ยังอุตส่าห์ละทิ้งเขามาได้ก็เหตุชะไหนจึงจะลไม่ได้ซึ่งความโกรธ อันเป็นตัวศัตรูผู้ทำความพินาศให้อย่างใหญ่หลวงเล่าในที่นี้ท่านมุ่งหมายเอาในแง่ของผู้ที่ออกบวชผู้ที่ออกบวชนั้นทิ้งญาติพี่น้องทิ้งลูกเต้าทิ้งภรรยาทิ้งพ่อแม่มาได้หวังเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อความสงบเพื่อความดีงามเพื่อมาลูกฝังแห่งพระนิพพานเพื่อปฏิบัติตามคาสอนของพระุทวเจ้าญาติพี่น้องนั้นหวังดีช่วยเหลือเรามาตลอดเรายังทิ้งได้ แล้วทําไมกับไอ้แค่ความโกรธซึ่งไม่ใช่ไม่ได้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีกับจิตใจเราเลยทําไมทําให้รีบทิ้งมันเล่าในแง่ของโยมเป็นคารุษหัดใช้หลักอย่างเดียวกันเลยอย่างโยมมาที่วัดเนี่ยละทิ้งอะไรบ้างละทิ้งที่บ้านใช่ไม่ใช่ยอมเสียเวลามาที่วัดะละทิ้งหน้าที่การงานซึ่งถ้าโยมทำเสาอาทิตย์อาจจะได้เงินเพิ่มใช่ไม่ใช่โยอมอยังละทิ้งมาได้เอาแล้วเราจะ ทำไมไม่ยอมละทิ้งความโกรธที่อยู่ในใจของเรานี้เล่าทั้งๆที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีอะไรขึ้นกับตัวของเราเลยเนะียอันนี้สอนตัวเองไม่บ่อยๆตือนตัวเองไว้บ่อยๆเ อ, อ้ยเรามาฝึกเพื่ออะไรแล้วยังมานั่งคิดผูกโกรธอย่างนี้อยู่อีกหรือมาฝึกแทบเป็นแทบตายเพื่อระ ง, งับสิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาใส่ไว้ในใจอีกทําไมเล่านะตั้งใจว่าอย่างนี้เลยนะอย่างที่สามเจ้าจงอุตสารักษาศีลเหล่าใดไว้แต่เจ้า ก็ได้พนอเอาความโกรธอันเป็นเครื่องตัดรากศีลเหล่านั้นไว้ด้วยใครเล่าที่จะโง่เซ่อเหมือนเจ้าเราบอกแม่รักษาศีลถ้าฉันจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์นะแต่กลับเก็บความโกรธไว้ในใจซึ่งความโกรธในหลเวลาเกิดขึ้นมากเราคุมไม่ได้แล้วเป็นยังไงศีลเสริมไม่เอาแล้วใช่ไหมแม้แต่ถ้าตงเข็นฆ่ากันก็เข็นฆ่าได้ใช่ไม่ใช่นะเหตุการณ์ที่ผ่านมายมก็เห็นละ นั่นแหละคือพน้พนอลความโกรธไว้ในใจไม่ยอมละทิ้งความโกรธไม่ยอมให้อภยัยอ้าวใครจะโง่เหมือนกับคนที่เขายังรักษาความโกรธไว้ในใจนั่นอีกเล่าอันนี้เตือนตัวเองเอาไว้นะศีลว่ารักษาญาติยังอุตส่าห์แม้ตั้งใจจะรักษาะแต่ความโกรธที่เป็นเชื้อทําให้ศีลเหล่านั้นขาดกลับไม่ยอมแก้ไขกลับไม่ยอมละทิ้งถ้าอย่างนั้นเ่ะคือคนโง่ละเราอย่าเป็นคนโง่เช่นนั้นเลย จนทิ้งความโกรธนั้นให้เหมือนกับเหล็กที่ร้อนแรงหรือของที่สกปรกที่เราไม่พึงเก็บไว้เถิดนะอ้าวนะหายหรือยังค น, นีความโกรธสามข้อพร่ำสอนตัวเองยังยิ้มอยู่แสดงว่ายังไม่ค่อยหายนะ <c oughs> อา้าวต่อนะข้อที่สี่นะข้อที่สี่นะเจ้าโกรธ ว, ว่าคนที่เป็นศัตรูคู่เวรได้ทำความผิดอันใหญ่หลวงให้แก่เจ้า แต่เหตุไฉนจึงปรารถนาที่จะทําความผิดเช่นนั้นด้วยตนเสียเองเล่าหมายความว่าไงแเรากลั ว, ว่าไอคนนั้นทําไม่ดีกับฉันทําให้ฉันเป็นทุกข์อย่างนั้นทําให้ฉันเป็นทุกข์อย่างนี้แต่ตอนนี้เนี่ยแหละไอตัวความโกรธที่เรากําลังเลิกเนี่ยกําลังเผาตัวเองให้ทุกข์ยิ่งกว่าคนอื่นทำอ้าวแล้วเราปรารถนาสิ่งนั้นหรือ ทั้งที่เราโกรธคนอื่นว่าคนอื่นทําให้เราทุกข์ในขณะที่เรานึกเนี่ยเราเองนะทุกข์เองทําไมเราไม่ทิ้งความคิดความนึกที่ทําให้เกิดความโกรธนั้นเล่าใช่ไม่ใช่อาการคิดนึกของเราเนี่ยมันร้ายยิ่งกว่าคนภายนอกอีกนะก็เมื่อโกรธเขาไม่อยากเห็นหน้าเขาจงโกรธแม้กระทั่งหรือรังเกียจแม้กระทั่งความโกรธที่เกิดขึ้นในใจสิทิ้งมันไปซะอย่าให้มันอยู่กับเราอีกนะอันนี้เข้าใจใช่ไหมเอ่ยเข้าใจนะ ประการถัดมาถ้ายังไม่หายนะวันนี้เอามาเล่าให้ฟังหลายเรื่องเลยนะสิบเรื่องสิบอย่างด้วยกันอุบายพร่ำสอนตัวเองประการถัดมาประการที่หนะ้าเนี่ยอันนี้ลองพร่ำสอนตัวเองดูนะก็เมื่อคู่เวรปรารถนานักหนาที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นแก่เจ้าจึงได้ทำสิ่งที่ไม่พอใจยั่วยุเจ้าเหตุไรเจ้าจึงจะทำความปรารถนาของเขาให้สาเร็จเสียเอง ด้วยการยอมให้ความโกรธนั้นเกิดขึ้นเล่านะอย่างที่อาตมาบอกเรื่องโทษของความโกรธนะเราโกรธใครไม่ชอบใครเรายิ่งเหตุอยากเห็นคนนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมด้วยการทํำยังไงเอ่ยล้อบ้างคมขู่บ้างนะหรือแม้กระทั่งเย่อเย้ยบ้างหรือทําความเสียหายให้กับทรัพย์สินหรือของที่เขารักหรือคนที่เขารักเพื่อที่เขาจะได้เป็นยังไงโกรธมากๆมีความทุกขใใ์ใช่ไหมใช่เนะี้ยอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนั้ ทั้งสองฝ่ายก็ต่างปรารถนาสิ่งนั้นแก่กันและกันนั่นแหละอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าเราไปโกรธก็เท่ากับเป็นการสมใจของศัตรูสิมันสมควรแล้วหรือนะทําอย่างนั้นยิ่งเป็นที่สะใจของเขาทําให้เขาเป็นยไงเอ่ยทําให้เขายิ่งดีใจมีความสุขเรากับยิ่งทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะทําอะไรกับเราจงอย่ากโกรธเสียจงมีความสุขดีกว่าให้อภัยยิ้มแล้วก็มีความสุขนั่นแหละคือการ แก้แค้นที่ดีที่สุดนะจำไว้นะว่าแก้นะแก้ไม่ใช่ผูกแค้นนะฉะนั้นแก้ออกไปด้วยการให้อภัยแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาเสียอาประการถัดมานะเอาลองดูหลายๆรูปแบบดูนะเม <_ S 2> ื่อเจ้าโกรธขึ้นมาแล้วเจ้าจักได้ก่อทุกข์ให้แก่คนอื่นผู้ทำความผิดให้แก่เจ้านั้นหรือไม่ก็ตามแต่เป็นอันว่าเจ้าได้เบียดเบียนตนเองด้วยทุกข์คือความโกรธอยู่ นักขณะนี้นั้นเทียวอา้าวใช่ไม่ใช่นี่ปัญญาพิจารณาให้มากขึ้นอีกเอโกรธขึ้นมาเนี่ยเราก็คิดจะจองเวรจะทำร้ายเขาแต่ตอนนั้นเนี่ยใครทุกข์ก่อนละเราผู้โกรธเอ๊ะเราเป็นโง่หรือฉลาดที่ไปทำอย่างนั้นเล่านะอา้าวประการถัดมาก็เมื่อผู้คนคู่เวรได้เดินไปสู่ทางผิดคือความโกรธซึ่งไม่นำประโยชน์อะไรไม่ให้แก่ตนเลย แม้เมื่อเจ้ายังโกรธเขาอยู่ก็ชื่อว่าได้คล้อยไปตามทางของเขาเสียและสิก็เราก็เห็นแล้วไอ้คนที่โกรธเราคนที่ว่าเราด่าเรานั้นเขากําลังทําสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีกําลังสะสมอุปนิสัยที่ดีไม่ดีในตัวเองแล้วนี่ถ้ายิ่งเราไปโกรธกับเขาอีกเป็นยังไงเรากําลังทําตามเขานะอย่าไปอยาไปว่าเขานะเขานี้นะถ้าเขาโกรธแล้วแล้วเราโกรธตอบ น, นี่อย่าไปว่าเขานะว่าเขาเลวเราเองก็กําลังเลวเหมือนเขาเหมือนกัน กำลังเดินทางไปสู่ความทุกข์เดินทางไปสู่ความเสียหายอย่างเขาเช่นเดียวกันนะมันเตือนตัวเองเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่ากโกรธเลยอยา่าพึงเดินทางผิดทางนั้นเสียเลยประการถัดมาให้เตือนตัวเองอย่างนี้ว่าศัตรูได้ทําสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจให้แก่เจ้าด้วยอาศัยความโกรธของเจ้าอันใดเจ้าจงรีบถอนความโกรธอันนั้นออกเสียเถิดเจ้าจะเดือดร้อนในสิ่งที่ไม่สมควรทําไมกัน เพราะฉะนั้นคนที่เป็นศัตรูการนั้นย่อมปรารถนาให้อีกฝ่ายหนึ่งโกรธนะเพราะฉะนั้นเราจะไปโง่ให้สมใจเขาทำไมจงเลิกโกรธให้อภัยและแผ่เมตตาให้เขาเสียและรักษาใจใเราให้มีความสุขนั่นจะเป็นการดีกว่าเพนะราะการที่ก้าอันนี้จะเริ่มคิดแยก แ, ยและ้นะขันห้าเราใดทำสิ่งที่ไม่พอใจให้แก่เจ้าขันห้าเหล่านั้นก็ดับไปเสียแล้ว เพราะสภาวะธรรมทั้งหลายดับไปชั่วขณะนิดเดียวแล้วก็มีขันห้าอื่นเกิดขึ้นมาแทนบัดนี้เจ้าจะมาหลงโกรธนะใครหน้าที่นี้เล่าก็โกรธต่อขันห้าที่เกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่มีความผิดนั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งอันนี้อาจจะยากสําหรับโยมมาใหม่นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับโยมที่ฝึกวิปัสสนาโยมจะสังเกตเห็นว่าภาวะสิ่งต่างๆเนี่ยมันดับเกิดดับอยู่ตลอดใช่ไหมและเป็นภาวะใหม่อยู่ตลอด ไอ้ภาวะที่ทําให้โกรธเนี่ยมันดับไปแล้วใช่ไม่ใช่ตอนนี้ภาวะใหม่เกิด ja ขึ้นแล้วแม้กระทั่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เขามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นภาวะใหม่เข้ามาเอ้าแล้วมาโกรธอะไรกับภาวะใหม่ในภาวะที่ทําให้ให้ให้เราโกรธเนมันดับไปหมดแล้วนี่เป็นการโง่หรือฉลาดที่จะมาโกรธกับภาวะใหม่ที่ก yes. ําลังเกิดข <t is |notimestamps|> <ep> ึ้นนะนี่เตือนตัวเองสภาวะที่กำลังปรากฏที่เป็นสภาวะใหม่อยู่ตลอดนะสภาวะที่ทําให้เราขัดเคืองเนี่ยมันดับไปอยู่ตลอด จะไปโกรธจะไปนั่งนึกถึงมันทำไมในเมื่อมันดับไปแล้วตั้งใจไว้ใหม่อย่างนี้อันนี้เราเรียกว่าใช้ในขั้นของการพิจารณาแยกขันวะประการที่สิบผู้ใดทำความผิดให้แก่ผู้ใดเมื่อไม่มีผู้ทำความผิดให้นั้นแล้วผู้ที่จะทำความผิดตอบนั้นจะพึงทำความผิดให้แก่ใครที่ไหนเล่าตัวเจ้าเองแหละเป็นตัวการแห่งความผิดเองเชนั้นเจ้าจะไปโกรธคนอื่นเขาทาไม เช่ไหนจึงไม่โกรธตัวเองเล่าในที่นี้มุ่งในการพิจารณาขั้นสูงละ ว, ว่าโดยสภาวะแล้วสิ่งต่างๆนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนที่แท้จริงยั่งยืนถาวรของใครเลยมีแค่ภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเปลี่ยนสภาพและกระดับไปแล้วเราจะไปโกรธภาวะธรรมนั้นทําไมเล่ามันแค่สภาวะธรรมที่เข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นเปลี่ยนสภาพและกระดับไปทั้งสิ้น ใครเป็นคนโกรธเล่าใครเป็นคนทําให้เจ้าโกรธเล่ามันไม่มีหรอกแค่สภาวะทําดําเนินไปมีแต่ความเห็นผิดและความหลงผิดของเราเท่านั้นเองที่ไปคิดว่าเขาว่าเรานะอันนี้แปลถึงเก้ากระสิบนี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาขั้นสูงละอันนี้อ่านให้ฟังไว้เป็นข้อมูลเฉยๆสําหรับคนที่เคยปฏิบัติวิปัสสนาหรือเคยฟังมาก่อน อาจจะเข้าใจตรงจุดนี้ได้ดีตอนในขั้นของการปฏิบัติวิปัสนาในขั้นของการที่เราแยกรูปธรรมรนามธรรมาคือขันธ์ห้าอาจกากกันให้เห็นถึงอาการที่มันส่งมันกระทบเป็นเพียงแค่กระแสของธรรมที่ดำเนินไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นพึงและควรแล้วหรือที่จะโกรธกระแสแห่งธรรมที่มันกําลังดำเนินไปตามธรรมดาธรรมชาติไม่มีอะไรหลอกที่เป็นตัวเราที่แท้จริงนะอ้าวนะสิทธิข้อเป็นยังไงพอหายโกรธหรื อ, อยังให้พร่ำสอนตัวเองเอาไว้นะ ถ้าพร่ําสอนไม่ได้เดี๋ยวมาสําันาอัตมาไปก็ได้นะสิบข้อนี้โกรธขึ้นมาขึ้เามา่อไหร่เอามานั่งท่องนะสิบข้อนี้สอนตัวเองเอามานั่งท่องนั่งท่องเอาท่องจําจําให้ได้ใครท่องปากเปล่าได้อัตมารับรองเลยว่าหายโกรธเพราะขณะที่ท่องนั่งนึกเนี่ยมันเลิกนึกแล้วไอ้เรื่องที่โกรธใช่ไหมใช่ <c oughs> นะมันโกรธไม่ได้แล้วมันเลิกนึกไปละมันลืมไปและไอ้เรื่องที่โกรธมันเป็นอะไรบ้างนะเอานะนี่อุบายวิธีที่สี่ นะคือให้พร่ำสอนตัวเองในคําสอนที่องค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจา้าท่านสอนไว้ในกรรมฐานที่เราได้เคยปฏิบัตินะอา้าวหายโกรธแล้วยังนะบางคนยังไม่หายยังไม่หายอาจารย์สมัยก่อนก็เห็นใจบางคนโกรธมากนะสี่วิธีแล้วยังไม่หายท่านก็บอกว่าอา้าวถ้าวิธีที่สี่ก็ยังไม่หายถ้าอย่างนั้นเข้ามาวิธีที่ห้าวิธีที่ห้าคืออะไร คือด้วยการพิจารณากรรมนะก็คือภาวะที่เป็นกรรมของตนนะว่าบุคคลได้ทำกรรมเช่นใดไว้เขาก็ย่อมต้องได้รับผลของการกระทาหรือวิบากของกรรมที่เขากระทำนะในที่นี้ขอยกเป็นคำพูดมาเลยก็แล้วกันนะพิจารณาอย่างไรนะ่านบอกว่าจงพิจารณาถึงภาวะที่ตนเองเป็นผู้ มีกรรมเป็นของตนนะมีกรรมเป็นอันดับแรกเลยในที่นี้มอมองที่ตัวเองก่อนความโกรธอาการโกรธนั้นเป็นกรรมอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วเป็นพวกอะไรกุศลหรืออกุศลอกุศลกรรมเราเองกําลังรับวิบาก ค, คืออาการคับค้องอึดอัดและเจตนาที่ไม่ดีนั้นอยู่อา้าวให้พิจารณาอย่างนี้นมองในแง่ของเรามีกรรมเป็นของตนมองตัวเราก่อนนี่นะพ่อมหาจำเริญนเนะจ้าโกรธคนอื่นแล้ว จกได้ประโยชน์อะไรกรรมอันมีความโกโรธเป็นเหตุของเจ้านี้มันจักบันดาลให้เป็นไปเพื่อความชิบหายแก่เจ้าเองไม่ใช่หรือด้วยว่าเจ้าเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นที่พึ่งเจ้าได้ทำกรรมสิ่งใดไว้เจ้าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้น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 มันจกขับไล่าสายสงให้เจ้าออกจากพระศาสนาและบันดาลให้ประสบผลอันประหลาดต่างๆเช่นทำให้บังเกิดเป็นคนขอทานกินเดนของคนอื่นหรือประสบทุกอย่างใหญ่หลวงเช่นทำให้บังเกิดในนรกเป็นต้นอย่างแน่นอนอันตัวเจ้านั้นเมื่อขืนทำการอยู่อย่างนี้ย่อมชื่อว่าเผาตัวของตัวเองทั้งเป็น และทำตัวเองให้มีชื่อเสียงนน่าเหม็นเป็นคนแรกนั่นเทียวเหมือนบุรุษพูดจับทานเพลิงอันปราศจากเปลวก็ดีจับคูดก็ดีด้วยมือทั้งสองหวังจะประหารคนอื่นฉะนั้นอันนี้ให้เตือนตัวเองไว้อย่างนี้นะเพราะฉนจะเห็นว่าคนนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันร้อนทันทีตอนนั้นขณะร้อนก็ด้วยความโกรธสภาพจิตไปไหนละนรกแล้วนะตอนนั้นนะ แล้วมันไม่ใช่แค่ร้อนแค่ใจมันร้อนกายของโยมด้วยอธิบายให้ฟังแล้วเรื่องโทษของความโกรธมีผลต่ออุปนิสัยอะไรยังไงและผลรอบข้างอย่างไรเพราะฉะนั้นเรากำลังทำกรรมไม่ดีอยู่นะสมควรแล้วหรือเราเองนั่นแหละต้องรับผลอย่างนั้นแล้วไม่ใช่โกรธไปแล้วจะทำให้สำเร็จพระอรหันต์ไม่ใช่เลยมีแต่จะทำให้ห่างจากอารหัต ภ, ภูมิปเจกพุทธภูมิหรือแม้กระทั่งสัมมาสัมพุทธเจ้า มีแต่ให้ออกห่างแล้วออกหาจากความดีงามใช่หรือไม่โกรธขึ้นมานี้ด่าเขาได้มุสาวาดได้โกรธขึ้นมาทําร้ายเขาด้วยมือประหัรประหารได้โกรธขึ้นมาทําร้ายข้าวของขโมยของเขาได้โกรธขึ้นมาสามารถละเมิดกา ร, รมเมืองสมิฉาจาร์ได้ใช่หรือไม่นั่นแหละเป็นสิ่งที่ไม่ดีและนําเราออกจากสัมมาทิฏฐินําเราออกจากทนนทางที่ดีงามนี่พิจารณาในแะง่กรรมของตนเอง อย่างที่สองเมื่อพิจารณาถึงภาวะที่ตนเองเป็นผู้มีกรรมแล้วจงพิจารณาถึงภาวะคนอื่นเป็นผู้มีกรรมแห่งตนเป็นอันดับต่อไปเมื่อกี้พิจารณาความโกรธส่งผลเสียแก่เรานะอย่างที่สองเขาโกรธแล้วผลเสียเกิดขึ้นกับเขาอย่าให้มันเกิดกับเราพิจารณาอย่างไรแม้เขาผู้นั้นโกรธเจ้าแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไร กรรมอันมีความโกรธเป็นเหตุของเขาผู้นั้นมันจักบันดาลให้เป็นไปเพื่อความชีพหายแก่เขาเองไม่ใช่หรือเพราะว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าผันมีกรรมเป็นที่พึ่งเขาจักได้ทำกรรมสิ่งใดไว้เขาก็จักต้องได้รับผลของกรรมนั้น อันหนึ่งกรรมของเขาผู้นั้นมันไม่สามารถที่จะบันดาลให้เขาสำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณปัจเจกโพธิญาณสาวุกภูมิได้มันไม่สามารถบันดาลให้เขาสำเร็จสมบัติใดๆได้เลยอย่างที่ได้กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ในแง่ของตนเองนอกจากนั้นแล้วมันยังบันดาลผลที่ประหลาดคือผลเสียก็คือการมันเกิดเป็นขอทานกินเดนรวมไปถึงการลงนรกให้กับเขาผู้นั้นด้วย เขาผูนั้นเมื่ยังขืนทํากรรมอยู่ย่อมชื่อว่าปโปรยทุลีคือความโปรดใส่ตนเองเหมือนดังบุรุษผู้จะโปรยทุลีใส่คนอื่นแต่ไปยืนอยู่ทางใต้ลมฉะนั้นนนั้นตั้งใจนึกว่าอย่างนี้เลยคนอื่นกรธเราเนี่ยเหมือนเขาโปรยทุลีแต่ดันไปยืนใต้ลมทุลีนั้นปิวไปหาใครใครสกรปรกก่อนใครผงเข้าตาก่อน ตัวเขาเราผู้ไม่โกรธย่อมไม่มีผงเข้าตาย่อมมีปัญญามองเห็นความจริงใช่ไหมเราผู้ไม่โกรธย่อมไม่สกรปรกนะด้วยคําพูดด้วยกิริยาอาการทางกายใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่โกรธตอบเขาเสยอย่างหนึ่งเนี่ยเขาโกรธมาแล้วก็ยิ้มให้ซะเออเราให้อภัยนะไม่ต้องโกรธนะไอคนโกรธเป็นยังไงมันโดนเองนะใช่ไหมใช่นั่นแหละวิธีการแก้แค้นนะวิธีการแก้แค้น ดีขึ้นไปกว่านั้นช่วยทําให้เขาหายโกรธและกลับมาเป็นมิตรได้นั่นแหละเรียกว่าแก้แค้นได้อย่างแท้จริงและความแค้นจะไม่เกิดขึ้นทั้งในใจของเราและของเขาเอ้าวให้พิจารณาเอาไว้อย่างนี้นะนี่คือการพิจารณาความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตนพิจารณาอย่างนี้แล้วนะข้อนี้สมด้วยพุทธพพุทธสุภาษิตที่มาในกุตตานิกายนะว่านะอันนี้ให้โยมจําเอาไว้เลยนะผู้ใดประทุษร้าย ต่อคนผู้ไม่มีความผิดทั้งเป็นคนบริสุทธิ์หมดจดหมดกิเลสบาปจะส่งผลให้เขาผู้นั้นซึ่งเป็นคนพาลเสียเองเหมือนธุลีอันละเอียดที่คนซัดไปทวนลมย่อมจะเปลิวกลับมาถูกเขาเองฉะนั้นอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยนะเป็นพุทธพจน์เลยเพราะฉะนั้นให้เราพึงจำไว้ยอย่างนี้เมื่อไรเราเกิด ความโกรธคนอื่นก็ให้ขอนึกถึงพุทธภาสิเนี้เอาไว้เรากําลังโปรยธุเลแล้วเราดันไปยืนอยู่ใต้ลมเองนะเราเองนั่นแหละที่จะตาบอดเพราะผงที่เข้าตาตาบอดในที่นี้คือมองไม่เห็นความจริงก็คือปราศจากปัญญาเราเองนี่นแหละที่จะสกปรกเราเองนี่นแหละจะต้องถุกอ้าวพิจารณาความที่สัตว์มีกา ร, รเป็นของตนอย่างนี้แล้วหายโกรธหรือยังยังไม่หายเหรออ้าวถ้ายังไม่หาย ให้มาถึงอุบายที่6ในการระงับความโกรธนะถ้ายังไม่หายนะมาถึงอุบายที่6ในการระงับความโกรธอุบายที่6ในการระงับความโกรธก็คือด้วยการพิจารณาถึงพุทธจรรยาของพระพุทธเจ้าในปางก่อนก็ให้นึกถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าทำในสมัยที่พระพุทธเจ้าท่าเป็นพระโพธิสัตว์นะท่านบำเพ็ญบารมีอยู่ถึงสี่อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับ โดนผู้อื่นประทุษร้ายมามากมายแต่ท่านไม่เคยโกรธเลยมีแต่ตั้งความปรารถนาดีไว้แก่ผู้อื่นเพราะตั้งปรารถนาที่จะช่วยสรรพสัพไอสิ่งที่เราโดนน้อยกว่าสิ่งที่พระสัมมาสัพพุธเจ้าโดนมานับตั้งแต่สมัยท่านเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยซ้ำเทียบกันไม่ติดเลยแล้วเพียงแค่นี้เราจะโกรธหรือในเมื่อเราบอกว่าเราเป็นสิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นพุทธบุตร อ้าวเรื่องราวมีอะไรบ้างนะอ้าวในที่นี้ท่านก็แนะนำบอกว่าให้เตือนตัวเองด้วยวิธีเช่นนี้คือนี่แน่พ่อมหาจำเริญพระบรมศาสดาของเจ้าในปางก่อนแต่ยังไม่ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณทรงเป็นพระผู้ที่สัตบารมีสามสิบทัตยู่ถึงสี่อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับ พระองค์ก็ไม่ได้ทรงทมพระหฤทัยให้โกรธเคืองแม้ในศัตรูทั้งหลายผู้พยายามประหัตประหารพระองค์อยู่ในชาติอ น, นั้นไม่ใช่หรืออา้าวเราลองดูนะในที่นี้จะยกตัวอย่างนะเรื่องราวของพระสมมาสัมพุทธเจ้าให้ฟังนะเรื่องแรกนะคือเรื่องของพระเจ้าศีละวะนะมาในศีละวะชาดกนะในสมัยที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็น พระโพธิสัตว์ชื่อพระเจ้าสีลวะปรากฏว่าได้มีอมาอตจผู้ใจบาปหยาบช้าได้รอบล่วงประเวณีพระกับพระอัครมเหสีของพระองค์และไปเชื่อเชิญเอาพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์มายึดเอาพระราชสมบัติในที่อันมีอนาบรเวณถึงสามร้อยโยชน้าพูดอย่างภาษาง่ายๆคือว่าในสมัยนั้น อำมารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาลอบเป็นชู้กับภรรยานอกจากนั้นยังไปยุยงผู้ที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามให้มายึดเอาทรัพย์สินในที่นี้คืออนาบริเวณอีกที่โยมโดนหนักได้หนักถึงขนาดนี้ไหมเคยหรือไม่เคยไม่เคยหรอกนะอ้าวดูนะพระโพธิสศสีละวะราชาก็ไม่ได้ทรงอนุญาตให้หมูมุขอมมาผู้จงรักภักดี ลุกขึ้นจับอาวุธเข้าต่อต้านต่อมาพระองค์พร้อมด้วยมุขอม่าพันหนึ่งได้ถูกเขาขุดหลุมฝังทั้งเป็นลึกแค่พระศอตรงที่ป่าช้าผีดิบพระองค์ก็ไม่ทรงเสียพระราชาหฤทัยแม้แต่น้อยอาศัยพวกสุนัขจิ้งจอกมันพากันมาขุดคุ้ยกินซากศพได้ขุดคุ้ยดินออกพระองค์จึงได้ทรงใช้ความเพียนของลูกผู้ชายด้วยกาลังแห่งพระ พาหาทรงตะกายออกมาจากหลุมคือกําลังของแขนและขานั่นเองนะพระพาหารอดชีวิตและด้วยอนุภาพเทวดาช่วยดลบันดาลพระองค์ได้เสด็จขึ้นไปยังพระราชนิเวศของพระองค์ทรงเห็นพระราชาผู้เป็นศัตรูบันทมอยู่บนแท่นที่บันทมพระองค์ก็มิได้ทรงพรโรธโกรธเคืองแต่ประการใดกลับทรงปรับความเข้าพระทัยดีต่อกันและกันและทรงตั้งพระราชาผู้เป็นศัตรูนั้นไว้ในฐานแห่งมิตร และได้ตัดสุภาษิตว่าชาติชายผู้บัณฑิตพึงทำความหวังโดยปราศจากโทษไปเถิดอย่าพึ่งเบือนานายท้อถอยเสียเลยเรามองเห็นทางอยู่ว่าเราปรารถนาที่จะสถาปนาตนไว้ในราชสมบัติโดยไม่เบียดเบียนใครๆด้วยประการใดเราก็จะปฏิบัติด้วยประการนั้นนี่คือวิธีการแก้ไขเพราะฉะนั้น ถ้าเราไปทําร้ายตอบญาติพี่น้องของเขาเป็นยังไงยิ่งโกรธมากขึ้นก็ยิ่งผูกแขนไม่มีวันจบพระเจ้าศีลวะไม่เลือกที่จะใช้วิธีการทําร้ายเลือกใช้วิธีการในการให้อภัยพูดคุยปรับความเข้าใจเปลี่ยนจากศัตรูนั้นให้กลับกลายเป็นมิตรนั่นแหละคือการชนะที่แท้จริง นี่คือพระจริยาของพระพุทธเจ้าในปางก่อนเพราะฉะนั้นขอให้โยมลองพิจรารณาดู <c oughs> แล้วตัวเราเองละ่ะได้โดนหนักอย่างนี้ไหมเป็นชู้กับภรรยาให้ศัตรูเข้ามายึดทรัพย์ยึดอำนาจแม้กระทั่งพาทหารเข้ามาคมขู่ถึงในพระราชวังจับเอาไป ฝังทั้งเป็นเพื่อให้ตายเราเราโดนหนักขนาดนี้ไหมแล้วเราควรหรือไม่ที่จะโกรธตอบควรหรือไม่ที่จะคิดร้ายควรหรือไม่ที่จะมุ่งร้ายกับบุคคลที่มาทำกับเราเพียงแค่เศษเสี้ยของที่พระพุทธเจ้าท่านทรงได้ประสบมาในเมื่อเราบอกว่าเราเป็นสิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามคาสอนของท่าน และดูจากพระเจริยาของพระสมมาสัมพุทธเจ้าในปางกอดโยมก็จะเห็นว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยการใช้กำลังหลอกแต่เกิดขึ้นด้วยเจตนาที่ดีงามและปัญญานั่นเองทำให้ศัตรูปรับความเข้าใจกับศัตรูทำให้เขารู้เข้าใจและกลับกลายมาเป็นมิตรของเรานั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงนะอันนี้เรื่องของพระเจ้าศีลวะศีลวะ อาหายโกรธหรือยังเรื่องที่หนึ่งบางคนเริ่มหายละนะมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยไหนๆจะกล่าวให้ละเอียดอาตมาจะเล่าให้หมดทุกเรื่องเลยแล้วกันถ้าใครสนใจสามารถไปาหาอ่านได้ในห น, งนะนังสือวิสุทธิมรักนะหนังสือวิสุทธิมรักษ์นะในห้องนี้ก็มีนะในห้องนี้ก็มีนะในห้องนี้ก็มีเรื่องที่สอง เรื่องที่สองอาตมาขอข้ามขันติวาธิดาบทนะคันติวาทิดาบทนั้นให้ไปอ่านเองก็แล้วกันนะเอาเรื่องของธรรมปาลากุมารเพราะเรื่องนี้โหดดีนะ <c oughs> แล้วลองเทียบกับสิ่งที่โยมโดนดูกันแล้วกันว่าโหดเท่ากับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์โดนมาหรือไมนะ่เรื่องก็มีอยู่ว่านะธรรมปาลากุมารนั้นนะในสมัยที่ พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์นะอันเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในจุลธรรมะปะลชาดกนะจุลธรรมะปาลชาดกอันนี้จะอยู่ในพระตไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบเจ็ดนะถ้าใครสนใจลองไปหาอ่านดูนะในสมัยหนึ่งนะพระเจ้าพระโพธิสัตว์นั้นได้เกิดนะเกิดมาเป็นธรรมะปาละกุมารเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งนะพระชาตินี้เป็นพระชาต หนึ่งในสามพระชาติที่พระสมาสัมพุทธเจ้าพ่ายแพ้ต่อพระเทวทัตคือในสมัยพระเจ้าธรรมภารักกุมารจริงๆไม่ใช่พ่ายแพ้หรอกแต่หมายถึงถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเรื่องของเรื่องก็คือในพระชาตินั้นเนี่ยพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เกิดเป็นลูกของพระมหาปตาปะผู้เป็นพระบิดาพระมหาปตาปะนั้นคือ พระเทวทัตในสมัยที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเองและในสมัยนั้นนะพระสมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้เกิดเป็นพระราชกุมารของพระมหาปทาปะนะพระมหาปทาปะนั้นนะมีความรักในมเหสีของพระองค์มากอัครมเหสีพระมเหสีนั้นก็จะเอาอกเอาใจทุกอย่างรู้ใจทุกอย่างปรฏิบัติทุกอย่างเมื่อพระเจ้า มหาปทาปะไปพบเนี่ยจะไม่อยู่นิ่งเฉยเลยจะเข้าปนในบัติทําให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามหาปทาปะเป็นอย่างมากนะให้ความสําคัญกับพระเจ้ามหาปทาปะเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดเลยท่านก็หลงรักมเหสีองค์นี้มากเนะี่ยต่อมาหลังจากที่ได้อยู่ด้วยกันพระมเหสีองค์นี้ก็ตั้งขันขึ้นมาก็คือท้องนั่นเองเมื่อท้องคลอดลูกออกมาปรากฏเป็นลูกชาย ก็ได้ชื่อว่าธรรมปาลกุมารลูกชายนั้นขณนะนั้นยังแบ่เบา อ, อยู่เลยนะยังแบ่เบาคราวนี้คนที่เป็นแม่เดิมทีก็รักสามีอยู่หรอกนะเอา อ, อกเอาใจสามีแต่พอมีลูกน้อยลูกกาลังเล็กอยู่เป็นยังไงเอ่ยก็ย่อมต้องให้ความสําคัญและก็ดูแลลูกเป็นพิเศษใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวลูกหิวลูกจะกินนมลูกจะต้องอาบน้ําลูกร้องขึ้นมาก็ต้องวิ่งไปดูลูก คราวนี้พระเจ้ามหาปทาปะเป็นยังไงเอ่ยตอนนี้ลูกมาแย่งความรักของตัวเองที่ภรรยามีต่อตอนเอง <c oughs> แรกๆก็ไม่เท่าไหร่ก็ยังพอทนได้นะลูกร้องภรรยากําลังปฏิบัติตัวเองอยู่ก็ต้องวิ่งไปดูลูกนะเข้ามากําลังพูดคุยกันออกรถออกชาตินะพอลูกออแอออแอขึ้นมาภรรยาก็ต้องวิ่งไปให้หนมลูกไปดูลูกพระเจ้ามหาปทาปะก็โอ้โห เป็นมามากขึ้นมากขึ้นก็ชักไม่พอใจไม่พอใจมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มเป็นยังไงเอ่ยเริ่มโกรธแค้นนะเริ่มโกรธแค้นเมื่อเริ่มโกรธแค้นอย่างนั้นเข้ามีอยู่ครั้งหนึ่งโกรธแค้นมากในขณะที่ภรรยากำลังปรนิบัติตนเองอยู่ปรากฏว่าลูกของตนเองนะ่ะร้องออกมาตอนนั้นฟังเส้นสุดท้ายละโกรธมาก กำลังปฏิบัติตนเองอยู่กำลังดูแลตนเองอยู่ทำไมมันต้องมาแย่งความสุขของฉันด้วยสั่งให้ทหารจับเอาลูกของตนเองคือธรรมปาลากุมารขณะแบะเบาเนี่ยแหละจับมาเสร็จแล้วนะก็ให้ทหารนั้นนะตัดแขนตัดขาของลูกตัวเองไม่ใช่ฆ่านะตัดเป็นๆ เ, เลยนะขณะเด็กกำลังเล็กๆอย่างนั้นนะตัดแขนตัดขานะ ดุดว่าให้ตัดหน่อไม้ในขณะที่มารดาสรงพี่ไัยข่าครวนอยู่ว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพแขนทั้งสองของพ่อธรรมปาละผู้เป็นราชทายาธในแผ่นดินนี้ซึ่งไร้ทาแล้วด้วยรถแห่งจันหอมกำลังจะขาดไปอยู่แล้วหม่อมฉันจะหาชีวิตไม่ได้อยู่แล้วนะเพคะลองนึกถึงใจของแม่นะเห็นลูกของตนเองที่กาลังเล็กอยู่โดนตัดแขนตัดขา จะเสียใจขนาดไหนและคนที่ทำนั้นก็คือสามีของตัวเองหรือพ่อของเด็กคนนั้นนะตอนนั้นพระเจ้ามหาปตาปะยังไม่สมพระราชาฤไทยนะยังโกรธขึ้นไปอีกตัดแขนตัดขาอเอมาเหสีร้องไห้ข้ามครัใช่ไหมยากระนั้นเลยตัดศีรษะเสีย คือตัดหัวเลยนะฟพระโพธิสัตว์นั้นไม่ได้แสดงเพียงอาการเสียพระไทยเท่านั้นนะไม่ส่งแสดงอาการเสียพระไทยเลยแต่กลับนึกอธิษฐานสมาทานอย่างแม่นมั่นแล้วสรงโอวาทพระองค์เองว่าสรงโอวาทพระองค์เองก็คือนึกและเตือนตนเองบอกกับตนเองบอกกับตัวเองว่าอย่างไรขณะนี้เป็นเวลาที่เจ้าจะต้อง ประคองรักษาจิตของเจ้าไว้ให้ดีแล้วนะพ่อธรรมปาละผู้เจริญปัดนี้เจ้าจงทำจิตให้เสมอในบุคคลทั้งสี่คือพระบิดาผู้ทรงบัญชาให้ตัดศีสษะพวกราชบุรุษที่จะตัดศีสษะพระมารดาที่กำลังทรงพิไรรำพันและตัวของเจ้าเองหมายถึงยังไงเอ่ย หมายถึงแผ่เมตตาให้คนทั้งสี่คนนี้ให้มีจิตเมตตาเสมอเหมือนกันหมดพ่อของตนเองทำนั้นก็เพราะความโกรธให้ฆ่าความโกรธของพ่อดีกว่าดีกว่าฆ่าตัวพ่อหรือไป <c oughs> อาคาตเค็ดแขนคนที่จะตัดศรีรษะเจ้าก็เพราะถูกสั่งแม่ที่กำลังร้องไห้นั้นก็กำลังเสียใจและตัวของเราเองพึงแผ่เมตตาพึงทาจิตให้เสมอกัน ไม่เป็นโกรธแม้แต่ใครเลยนะการที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมนุษย์แล้วยังกดกั้นได้ต่อการทารุณกรรมต่างๆจากศัตรูแม้ข้อนี้ก็ไม่เป็นสิ่งอนาสจัญมากนักนัก ม, ม, มากนักนะส่วนที่น่าอาศัศจรรย์มากยิ่งกว่าคือตอนที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปแต่ในที่นี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะอย่างธรรมปาละเราเคยโดนขนาดนั้นหรือเปล่า พระโพธิสัตว์แม้โดนขนาดนั้นท่านยังไม่นึกโกรธแต่กลับมีจิตเอ็นดูไม่อยากให้บาปการนั้นติดตามพ่อของตนขราชบริพารที่ถูกสั่งให้ทำ้ายตนเสียอีกเราเองได้ชื่อว่าเป็นสิทธิของตถาคตแม้เราดูนเพียงแค่นี้สมควรแล้วหรือไม่ที่จะโกรธนะอาเรื่องที่สามนะ เรื่องที่สามนั้นเป็นเรื่องของขันติวาทีดาบทนะ์เรื่องขันติวาทีดาบทนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยนีะ่สบเจ็ดนะส่วนใหญ่จะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยีสิบเจ็ดหมดเลยตอนนั้นพระโพธิสัตสว์เสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบทนะ์คือดาบทผู้มีวาทะแห่งขันตินั่นเองนะผู้มีความขันตินั่นเองเมื่อพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้นกาสีผู้โง่เขลา ชื่อว่ากลาภุได้ตัดถามโพธิสัตว์ขันติวาธีดาบทว่าสมณะพระผู้เป็นเจ้านับถือวาทะว่าอะไรพระโพธิสัตว์ทูลตอบว่าอาตมาภาพนับถือขันติวาทะคือนับถือความอดทนพระเจ้ากลาภุได้ได้ยินอย่างนั้นจึงสั่งเคี่ยนพระโพธิสัตว์ด้วยแท้ที่มีหนามเหล็กเพื่อเป็นการพิสูจน์จนในที่สุดถูกตัดมือและเท้า แต่แล้วพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ทําความกรดเคืองเลยแม้แต่น้อยคือพระเจ้ากรลาภุเนี่ยเป็นคนที่ขาดปัญญานะพอถามดาบทเห็นดาบดโอมีฤทธิ์ใช่ไหมอา้าวท่ามีวาทาว่าอย่างไรท่านนับถืออะไรนะขันติวาทิดาบทบอกว่าเรานับถือความเป็นผู้อดทนอดกลั้นอ้าวถ้างั้นขอทดสอบทดสอบอยังไงเอาแส้ที่มีเหล็กแหลมเคี่ยนเลย แท้ที่มีแกลมเคียดยังไม่โกรธยังไม่โกรธใช่ไหมตัดมือตัดเทา้าโกรธไม่โกรธคันติวาทีดาบทไม่โกรธเลยแม้แต่น้อยนะีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรื่องของคันติวาธีดาบทเรื่องของธรรมปาระดาบทหรือแม้แต่เรื่องของพระเจ้าศีละวะพระเจ้าศีละวะนั้นถูกแย่งชิงอํานาจว่าด้วยเรื่องทรัพสมบัติภายนอกขันติวาทีดาบทนั้นโดนทําร้ายร่างกาย ธรรมปาระนั้นโดนทำร้ายร่างกายจนกระทั่งแม้กระทั่งเอาชีวิตแต่แม้ทั้งสามระชาตินั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่สมวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่เคยโกรธผูดด้ใดเลยแม้แต่น้อยกลับให้อภัยและแผ่เมตตาให้กับเขาแล้วตัวเราละ่ะในแง่ของทรัพ์สมบัติสิ่งที่มีโดนเขาทำร้ายขณะที่พระโพธิสัตว์โดนไหม ร่างกายเราโดนทำร้ายขนาดที่คันติวาตีดาบทโดนหรือเปล่าหรือธรรมปะละกุมารโดนไหมเราโดนเอาชีวิตโดนตัดหัวเหมือนกับธรรมปาละหรือเปล่าแล้วเรื่องเล็กน้อยชิบจ้อยเพียงแค่นี้ควรแล้วหรือที่เราจะโกรธและผูกโกรธเขานะเอา้าวสามเรื่องนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับโยมนะนี่คือนึกถึงพระจริยาของพระสมมาสามพุทธเจ้า ในปางก่ อ, อวันนี้คิดว่าคงหมดเวลาแค่นี้แล้วคราวหน้าเราค่อยมากล่าวถึงในสมัยที่ท่านได้กําเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีตั้งแต่เป็นช้างเป็นลิงต่างต่างนะเอามาเล่าให้ฟังเอาไว้ประกอบ นะช่วงนี้ต้องกล่าวกันให้ละเอียดหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวขอกลับไปแล้วเนี่ยโทรศัพท์มันจะเข้ามานะเพราะฉะนั้นแทนที่จะอ่านหนังสือพิมพ์เนีย๋ยโยมสํานาเอาไปอ่านซนะเอามานั่งอ่านพอดูทีวีเสร็จเอานี่มานั่งอ่านนะแล้วนับความโกรธนะนับความโกรธให้ได้แล้วก็แผ่เมตตาให้ซะเพราะฉะนั้นให้เป็นหลักเอาไว้สําหรับโยมนะก่อนที่จะจบนะขออีกสักห้านาทีจะได้เป็นหลักเอาไว้สําหรับโยมเลยนะ ไม่ทราบว่ามีใครได้ดูข่าวหรือได้ติดตามเว็บไซต์เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่นอนชื่อว่านอนไฟออเรนซ์มา้งมีไม่เอ่ยไม่มีใช่ไหมเพราะหลายฝ่ายนะไม่ว่าจะฝ่ายที่เข้ามาประท้วงก็ตามหรือฝ่ายรัฐบาลก็ตามหรือฝ่ายไม่อยากให้นายกราออกก็ตามตอนนี้กําลังมีความโกรธแค้งกันเจ้าหน้าที่ในในในที่ทํางานทางด้านนอนไฟออเรนซคือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงเขามีการนําเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นอาสาสมัครเข้าไปสัมภาษณ์เข้าไปพูดคุยเข้าไปรับฟังรับฟังทั้งฝ่ายของทหารที่ถูกทำร้ายและรับฟังทั้งฝ่ายผู้ที่มาประท้วงแล้วก็บาดเจ็บนะทั้งสองฝ่ายเลยขอให้ลองไปติดตามอ่านดูแล้วโยมจะเห็นมุมมองอะไรบางมุมมองที่เรามองข้ามไปนะบางคนอาจจะโกรธแค้นฝ่ายเสื้อแดงทำไมจะต้องทำรุนแรงอย่างนั้นอย่างนี้ บางคนอาจจะโกรธแค้นฝ่ายทหารทำไมต้องทำรุนแรงอย่างนี้แต่ถ้าโยมได้เข้าใจถึงจิตใจของเขาและเจตนาของเขาบางสิ่งบางอย่างในบางแง่มุมแล้วความรู้สึกโยมจะเปลี่ยนเอาเริ่มต้นเข้าไปสัมภาษณ์ฝ่ายเสื้อแดงตอนแรกเขาไม่อยากจะคุยแต่พอคุยไปคุยมาสอบถามคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอยู่คนหนึ่งที่อาตมาคิดว่าน่าจะต้องนํามาเล่าคือที่เขาเข้ามาเนี่ยทําไมเขาถึงเข้ามา พราะคนที่ไปบอกเขาบอกว่าจะช่วยให้ชีวิตของเขาดีขึ้นที่เขาเข้ามาเนี่ยเพราะเขาคิดว่านี่มุมมองของเขากรอบของเขามีอยู่แค่นี้ว่าการที่ถ้าได้ยุบสภาแล้วและคนที่เขาเชียร์หรือพวกนี้พวกที่เขาเชียร์นั้นขึ้นมาได้คนเหล่านี้จะสามารถที่จะมาช่วยทําให้ความยากจนของเขานาหายไปได้ ตอนนี้เขากําลังมาทําตอนนี้ญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ที่บ้านที่ต่างจังหวัดกําลังอดอยากเขาจะช่วยได้อย่างไงถ้าเขาอยู่เฉยๆอยู่ที่นั่นเขาช่วยอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ย่อมต้องอดอยากแร้นแคนอยู่อย่างนั้นไม่มีข้าวสารจะกรอกหม้อแต่อย่างน้อยการที่เข้ามาเรียกร้องอย่างนี้การที่เข้ามาทําอย่างนี้อย่างน้อยเขารู้สึกว่าเขาได้ช่วยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาจะได้ช่วย คนที่กำลังอดอยากยากแค้นอยู่ที่ต่างจังหวัดเขาจึงเข้ามายอมคิดว่าความคิดของเขาดีหรือไม่ดีละ่ะเจตนาเขาดีหรือไม่ดีควรหรือที่จะไปทำร้ายเขาใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นต้องแก้และต้องฆ่าให้ถูกไม่ใช่ฆ่าบคุคคลฆ่าความเข้าใจผิดของเขาและเราต้องช่วยฆ่าความยากจนและความแร้นแค้นที่เกิดขึ้น ที่กำลังมีอยู่ในคนต่างจังหวัดนั่นแหละจึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การมาทำร้ายกันใช่หรือไม่ตอนนี้เรากำลังละเลยอะไรอยู่หรือเปล่าเรากำลังไม่ได้มองเข้าไปถึงปัญหาที่แท้จริงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยหรือเปล่ามันเลยเป็นการเปิดช่องให้ผู้ที่สแสวงหาผลประโยชน์หรืออานาจบางอย่างเป็นช่องทางปิดกั้นทาให้คนเหล่านี้เข้ามาแม้ด้วยเจตนาที่ดีงาม แต่เขากลับมาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าถือว่าทุกคนในสังคมกำลังมีส่วนทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไขถ้ายมมองในมุมนี้จะเห็นว่าเราไม่ควรไปทำร้ายคนเหล่านี้หรอกเราพึงมีเมตตากับเขาแก้ไขความเข้าใจผิดและเราจะช่วยอะไรเขาได้ในขณะที่ที่บ้านของเขากำลังอดอยากในขณะที่เข้าหน้าร้อนอย่างนี้เขาไม่มีรายได้เลยเราจะช่วยอะไรให้กับเขาได้บ้างละ่ะ สิ่งนี้ต่างหากจะเป็นสิ่งที่เราช่วยกันแก้ไขได้นะ่ะอย่างยั่งยืนและก็มั่นคงถาวรใช่หรือไม่อีกประเด็นหนึ่งไปสัมภาษณ์ทหารไปสัมภาษณ์ทหารทหารคนนี้เป็นทหารเกณฑ์เขาบอกที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้อยากทําร้ายไม่อยากตีชาวบ้านที่เข้ามาเขาเข้าใจว่าต้องการเรียกร้องมีความต้องการอย่างนั้นแต่คารที่เขาก็มาสมัครเป็นทหารนี้เขาก็มาเพื่อรับใช้ประเทศชาติ เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งมาเป็นหน้าที่เขาจำเป็นต้องทำตามหน้าที่เพราะถ้าทหารไม่ทำหน้าที่เห็นแก่ความรู้สึกส่วนตัวแล้วแล้วก็การมาเข้าบัญชามันเสียไปเขาเข้ามาในเขามีความภูมิใจที่เขาจะได้รับใช้ประเทศชาติเขาเข้ามาเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับคนที่กำลังเดือดร้อนเขาจึงจำเป็นที่จะต้องสลายการชุมนุม ที่สลายการชุมนุมไม่ใช่เพราะเขาดีใจว่าเขาจะได้ตีหรือสะใจที่ได้ตีเขาไม่ได้อยากทําเช่นนั้นเลยทหารคนนี้ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสแม่ของทหารคนนี้มาเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลและบอกว่าลูกคนนี้เป็นลูกชายคนเดียวเป็นที่พึ่งของครอบครัวมีพ่อที่กําลังแก่อยู่ มีน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ไม่มีรายได้อย่างอื่นนอกจากลูกคนนี้เท่านั้นที่กำลังเป็นที่พึ่งถ้าลูกคนนี้เป็นอะไรไปหมายถึงครอบครัวนั้นเสียหลักเสียคนที่จะเป็นหลักในครอบครัวแล้วต่อไปจะอยู่จะกินกันยังไงแล้วควรเล่าหรือที่จะทำลายทหารควรเล่าหรือที่จะทำ้ายผู้บริสุทธิ์ในขณะที่เขาตั้งใจว่าเขาอยากจะให้เกิดความสงบ เกิดความเรียบร้อยขึ้นในสังคมเขากำลังทำหน้าที่เขาทำหน้าที่เพราะเขาเองอยากให้เกิดความเรียบร้อยเขาอยากจะอยากให้เกิดความดีงามขึ้นในสังคมเขาเองมีพ่อแม่ที่เขาจะต้องดูแลที่จะต้องรักษาและเขาเองก็ต้องเป็นที่พึ่งให้กับสังคมของเขาด้วยควรแล้วหรือที่เราจะทำลายเขาควรแล้วหรือที่เราจะประหยประหารเขาควรแล้วหรือที่จะใช้ความรุนแรง ต่อกันและกันอย่างน้อยสองเคสเนี้ยขอให้โยมลองไปอ่านเถอะแล้วเราลองมาดูซิว่าเหตุการณ์บ้านเหมือนที่กำลังเกิดขึ้นนี้เราจะช่วยได้อย่างไรการโกรธแค้นฝ่ายใดฝ่าหนึ่งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเลยขอให้ดูอย่างศีละวะราชาที่อาตมาเล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมเห็นใจต้องสองฝ่ายปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันเสีย ถ้าเขาลำบากเดือดร้อนเรามีอะไรที่พอจะช่วยได้ช่วยเขาแล้วมาช่วยการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่าให้เพียงแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจูงจมกูกให้ประชาชนนั้นมาตีกันเลยอยาาเห็นแค่คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลยเราประชาชนทั้งหมดนั่นแหละควรแต่เห็นประชาชนส่วนรวมทั้งหมดไม่ใช่กลุ่มการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ว่ากลุ่มใดฝ่ายใดก็ตาม เราสา ม, มารถขีดกันถ้ามันจะยุ่งให้ตีกันอย่าตีกันเรามารักษาความเรียบร้อยไม่ก่อความเดือดร้อนให้ซึ่งกันและกันแล้วมาช่วยว่าปัญหาที่แต่ละคนประสบปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราจะมีส่วนร่วมกันอย่างไรในการช่วยกันแก้ปัญหาทําให้เกิดความดีงามการกขูดแค้นซึ่งกันและกันไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอาตมาได้เทศไปเมื่อวันสงกรานต์ขอกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า ขอให้พวกเราชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาจงร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันฆ่าสิ่งที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนในสังคมในปัจจุบันนี้จงช่วยกันฆ่าสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นในจิตใจของเราและคนอื่นๆจงช่วยกันฆ่าสิ่งที่ทําให้เราต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏ ส, สิ่งนั้นก็คือความโลภ ความโกรธและความหลงคือความไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่รู้ตามความเป็นจริงที่มีอยู่ในจิตใจของคนในประเทศชาติทั้งหมดเถิดฆ่าความหลงด้วยการฆ่าความโลภด้วยการเสียสละด้วยการให้ด้วยการช่วยเหลือทุกๆคนที่กําลังเดือดร้อนไม่ว่าจะฝ่ายใดก็ตามฆ่าความโกรธด้วยการตั้งจิตเมตตาด้วยการให้อภัยกับเขาเห็นอกเห็นใจตั้งเจตนาดีงามกับเขา ข่าความหลงด้วยการปรับความเข้าใจให้เข้าเห็นข้อมูลทั้งสองฝ่ายให้เห็นความจริงทั้งในแง่ ด, ด้านดีและด้านไม่ดีในทุกๆฝ่ายและให้เขาเห็นถึงคุณค่าของชีวิตและประโยชน์ที่ควรจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันในสังคมไทยจากการที่เราได้มาศึกษาจากการที่เราได้นักถือพระพุทธศาสนาร่วมกันจงฆ่าความโลภความโกรธความหลง ที่มีอยู่ในจิตใจของเราและที่มีอยู่ในจิตใจของทั้งสองฝ่ายและของคนไทยทุกๆคนเสียนั่นแหละจึงจะทำให้เกิดความดีงามจึงจะทำให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนทาวรในสังคมไทยของเราได้เพราะฉะนั้นดูข่าวแล้วยมจงสงสารเขานะตั้งจิตเมตตาให้กับเขาถ้าเรายังช่วยอะไรไม่ได้อย่างน้อยปรับความเข้าใจกับคนที่อยู่ราบข้างคนที่อยู่ใกล้ชิดอย่างที่อาตมาบอกนะ นักการเมืองหรือนักอะไรน่ยมันอยู่ไกลตัวเราเหลือเกินมันไม่ได้มาช่วยอะไรโยมเลยจะมัวมัวนั่งทะเลาะเพื่อพวกนั้นอยู่ทําไมเล่าทําไมเราไม่เห็นใจคนที่อยู่ใกล้ชิดเราคนที่อยู่รอบข้ามเราที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดอย่ามานั่งทะเลาะกันเพราะเรื่องนี้เลยมามีความสามารถขีมาร่วมแรงร่วมมือร่วมใจกันดีกว่าในการสร้างสรรค์ให้เกิดความดีงามขึ้นในสังคมเริ่มต้นจากตัวเราแพ่ไปยังคนในครอบครัวคนในที่ทํางาน ไม่ต้องแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเสื้อสีอะไรถ้าใส่ได้พอเหมาะพอดีก็สวยทั้งนั้นแหละนะแต่ขอให้พอเหมาะพอดีนะเหมือนกับการวาดภาพการวาดภาพนั้นถ้ามีสีเดียวไม่มีทางมีภาพอะไรออกมาสวยงามได้แต่ที่สวยงามเพราะมันมีหลากหลายสีแต่อยู่ในที่ที่พอเหมาะพอดีที่เกิดความเกื้อกูลเกิดกุศลชันในก็ฉันนั้นนะ ไม่งั้นแฟชั่นตอนนี้แย่เลยนะสีแดงก็ไม่ได้สีเหลืองก็ไม่ได้สีดำสีขาวตอนนี้ก็ชักจะไม่ได้แม้กระทั่งสีชมพูก็ใส่ก็ชักจะมีปัญหาอีกแล้วใช่ไหมใช่ตกลงไม่ต้องใส่เสื้อผ้าแล้วมั้ง <c oughs> นะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเห็นไหมใช่ใช่ไหมใช่มันแก้ที่จิตใจนะแก้ที่จิตใจของเราเนี่ยแหละมาร่วมร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะมันฝากไว้สําหรับโยมนะอุบายรับความโกรธให้ไว้แล้ว เราต่อไปในขั้นของปฏิบัติการและปฏิบัติการก็คือช่วยกันให้เกิดความดีงามยังน้อยเริ่มจากคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งนั่งแท็กซี่ก็เล่าให้แท็กซี่ฟังเลยเออเราน่าจะมีความคิดอย่างนี้นะใครขึ้นมาบนรถเราก็มานั่งคุยกันให้ดีงามในลักษณะอย่างนี้นะอาตมาเคยคุยกับแท็กซี่มาแล้วละ่ะะอันนี้เล่าให้ฟังได้นะเคยคุยกับแท็กซี่มาแล้วในเรื่องในเรื่องประเด็นนี้เขาเข้าใจนะเขาเข้าใจนะเขาเข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจ แต่ไม่มีใครที่เห็นใจเขาเมื่อเขาอยู่ในฝีกฝ่ายหนึ่งไม่มีใครมองในมุมของเขาตั้งหากมันจึงทำให้ไม่เกิดความสมัครสมา ส, สา ม, มัคคีขึ้นคือต่างฝ่ายต่างจะมองมุมเดียวของตนเองแต่ถ้าได้มองให้ทุกแง่ทุกมุมนะแล้วก็เห็นอกเห็นใจแล้วมาดูว่าจุดหมายสูงสุดคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าต้องการจะยุบสภาถามต่อยุบสภาไปทาไม จะได้ให้คนนี้ขึ้นมาปกครองประเทศให้คนนี้ขึ้นมาปกครองประเทศเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ประเทศชาติมีความสามารถขีผู้คนอยู่ดีมีสุขก็ถ้าอย่างนั้นตัดไอกระบวนการขั้นตอนที่เป็นเงื่อนไขทิ้งแล้วเรามาบอกว่าประเทศชาติจะอยู่ดีมีสุขคุณจะช่วยให้ประเทศชาติอยู่ดีมีสุขได้อย่างไรไม่ดีกว่าหรือก็เอาไปที่เป้าหมายเลยจะมาเอาเงื่อนไขไอสองอย่างสามอย่างที่มานั่งเรียกร้องทําไมทําไมเราไม่มาถามตัวเองแล้วว่าจะช่วยให้ประเทศชาตินี้อยู่ดีมีสุขได้ พวกเราจะต้องทําอะไรกันขึ้นมาบ้างแทนที่จะไปติดอยู่กับเงื่อนไขอะไรต่างๆใช่หรือไม่สืบสาวไปให้ถึงตัวต้นตอสิว่าจริงๆต้องการอะไรทุกคนต้องการความสุขทุกคนต้องการอยู่ดีมีสุขต้องการความดีงามเพราะฉะนั้นทิ้งสิ่งต่างๆที่เป็นเงื่อนไขที่ทําให้เกิดความขุ่นข้องเสียแล้วมาร่วมกันว่าเออแล้วต่อจากนี้เราจะสร้างให้เกิดความดีงามขึ้นอย่างไรเราจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการที่จะทําให้เกิดความดีงามเริ่มตั้งแต่ตัวเรา ครอบครัวของเราและบุคคลที่อยู่รับค้างถ้าเราข ย, ยายอย่างนี้ต่อไปในสังคมได้สังคมไทยจะต้องไม่จะได้ไม่ถูกใช้จะได้ไม่ถูกนักการเมืองใช้เป็นโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆและกรอให้เกิดความขัดแย้งอย่างในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นฝากไว้กับโยมนะขอให้ถือธรรมเป็นหลักขอให้ถือธรรมเป็นใหญ่และขอให้รักษาธรรมเพราะธรรมย่อมรักษาผู้ประพัติธรรมและเราเองนี่แหละ จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสารรค์ให้เกิดความสุขความเจริญความดีงามขึ้นในตัวเราคนที่อยู่รอบข้างประเทศชาติบ้านเมืองมนุษยมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตต์ต่อไปในอนาคตนะก็ฝากยมไว้ขอให้ลองไปอ่านนะในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Nonviolence นะนอนไฟโอเลนขาจะมีคำสัมภาษณ์เหล่านี้เราจะมองเห็นแง่มุมหลายๆอย่างแล้วก็เราจะเกิดความคิดหรืออาจจะเกิดแนวคิดหรือแนวทางในการปฏิบัติ ต่อคนกลุ่มอื่นๆได้อย่างถูกต้องนะมันไม่ใช่เพราะเสื้อแดงเสื้อเหลืองหรือเสื้อสีอะไรทั้งนั้นหรอกแต่เพราะกิเลสที่อยู่ในใจคนนั่นแหละช่วยกันฆ่ากิเลสที่อยู่ในใจคนเสียแล้วเราจะได้เกิดความสุขความดีงามขึ้นในสังคมของเราอย่างแท้จริงนะเอานะก็วกกลับมาอันนี้ไม่ใช่ประเด็นของการเมืองแต่เป็นประเด็นเครื่องหลักทำให้ความดีงามที่อยากจะให้ใช้เป็นหลักต่อไปในอนาคต ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนไม่ว่าใครจะขึ้นมาไม่ว่าใครจะลงไปก็ตามหลักนี้ใช้ไปได้ตลอดเพราะเป็นหลักกลางๆทางธรรมชาตนะาิวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็คงจะขอจบเรื่องของอุบายระงับความโกรธไว้แค่นีนะ้คราวหน้าค่อยมาฟังที่ทานต่อกันแล้วกันลํนะาดับต่อไปก็ขอเชิญโยมแผ่เมตตาแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน